ถ้าเราได้มองย้อนกลับไป5ปี10ปี20ปี30ปีมันก็ต้องมีเรื่องที่เราคิดว่าเออเสียดายนะมันต้องมีเรื่องที่เราเสียดายอยู่บ้างแหละเสียดายว่าได้ทำลงไปบ้างเสียดายว่ายังไม่ได้ทำบ้าง อย่างบางคนอาจจะเคยทะเลาะ ก, กับเพื่อนทะเลาะ ก, กับพ่อแม่ทะเลาะ ก, กับญาติทะเลาะ ก, กับพี่น้องอะไรก็แล้วแต่แต่เขาคนนั้นอาจจะไม่อยู่แล้วก็ได้พอมองย้อนกลับไปก็อยากจะนึกถึงว่าถ้าเราได้ไปแก้ไขเราได้ปรับความเข้าใจตอนนี้ก็น่าจะดีขึ้น หรือสำหรับบางคนที่เรียนหนังสืออาจจะเรียนแล้วก็ไม่ค่อยได้ขยันสมัยก่อนก็อยากจะกลับไปแก้ไขว่าเออถ้าเราขยันกว่านี้สมัยนั้นก็น่าจะได้ทำตรงนั้นตรงนี้เพิ่มเติมนะตอนนี้เราก็คงจะไม่เสียเวลาที่เราจะนำความรู้มาใช้ มันก็จะมีหลายๆอย่างอ่ะที่ถ้าเราได้มองย้อนกลับไปอ่ะก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราทำแล้วแล้วมีความภาคภูมิใจก็มีแต่ในหลายๆเรื่องก็เป็นเรื่องที่เราเสียดายที่เราได้ทำเรื่องไม่ดีไปบ้างหรือเรายังไม่ได้ทำบางเรื่องที่ที่คิดว่าเราควรทำที่เรา อยากจะทำแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทำหรือไม่ได้ทํนะตอนนั้นพอมาตอนนี้ก็ส่งผลให้เรารู้สึกว่าเออถ้าทำนะตอนนั้นได้มันก็จะดีณนะปัจจุบันก็มีสองอย่างอย่างแรกก็คือที่ได้ทําความดีไปมีความภาคภูมิใจกับตัวเราเองมองย้อนกลับไปเราก็มีความชื่มชื่อมีความเบิกบานหัวใจ มีความภูมิใจอีกอันหนึ่งก็คือในฝ่ายที่เราได้ทำไปแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเสียดายที่ได้ทำลงไปมันก็จะมาแพ็กเกจคู่นั่นแหละกับเสียดายที่ยังไม่ได้ทาทำในสิ่งที่ไม่ควรทำแล้วก็ยังไม่ได้ทำในสิ่งที่ควรทำ แต่แน่นอนแหละว่าเรากลับไปแก้ไขอดีตไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องนำมาเป็นแง่เป็นเงื่อนให้ในปัจจุบันของเราเนี่แหละว่าเราควรจะต้องทำอะไรอะไรเป็นสิ่งสำคัญอะไรเป็นสิ่งที่ในระยะยาวคือเป้าหมายที่เราวางไว้แล้วเหตุนะั ปัจจุบันที่จะทำให้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราตั้งเอาไว้เราก็พยายามทำเหตุอันนั้นให้มันดีอะไรที่มันเป็นอุปสรรคขัดขวางเราก็พยายามหลีกเลี่ยงมันให้มันได้มากๆแล้ถ้าเราได้ใกล้ครวญพิจารณาอดีตที่มันผ่านมาเนี่ย มันก็จะทำให้เราเห็นว่าเราใช้จ่ายเวลาไปกับในเรื่องที่บางครั้งเราก็รู้สึกว่าเออตอนนั้นมันก็มีความสำคัญมีความจำเป็นเฉพาะหน้าที่เราจะต้องใช้จ่ายเวลาไปกับเรื่องนั้นๆณ ต, ตอนนั้นมันก็รู้สึกอย่างนั้นใช่แต่ถ้าเรา อยู่ในสถานะนะปัจจุบันตอนนี้มองย้อนกลับไปถ้าให้เราเลือกเราก็คงจะไม่ไม่ทำแล้วก็แบ่งบัดเวลาณนะตอนนั้นนำมาใช้ในเหตุที่มันจะดีนะปัจจุบันนี้พูดไปมันก็ดูเป็นภาพกว้างๆนะเป็นเงาๆไป แต่ถ้าเรามาพิจารณาให้มันเห็นถึงตามความเป็นจริงเนี่ยมันก็มีสองส่วนส่วนทางโลกที่เราต้องอยู่อาชีพการงานที่เราต้องทำครอบครัวที่เราต้องดูแลอันนี้มันก็เป็นงานสำคัญแน่นอนแหละ คงจะไม่มีใครค้านว่าอันนี้ไม่สำคัญสำคัญนะปัจจัยสี่ก็สำคัญครอบครัวเพื่อนฝูงยังไงมันก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันแล้วมันมีเรื่องที่มันสำคัญกว่านั้นไหมอาจจะไม่ได้สำคัญน้อยกว่า อาจจะไม่ได้สำคัญที่ดูจะมากกว่าในความรู้สึกคนทั่วไปแต่ในความเป็นจริงแล้วมันสำคัญก็คือเรื่องของความทุกข์เรื่องเกี่ยวกับวัตจัเพราะว่าการที่เราเกิดมามันก็อยู่ในวัตจของทุกข์อันนี้แหละ เกิดมากี่ทีกี่ทีมันก็อยู่ในโลกสมมติแบบนี้แหละแล้วมันก็เวียนวนเวียนวนฉายหนังซ้ำเก่าซ้าเก่าแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วสิ่งที่เราจำเป็นก็คือถ้าเราไม่ไม่หาทางหรือเห็นทางแล้วแต่ไม่เดินบนเส้นทางที่มันจะนำพาให้เรา ไปถึงจุดที่หลุดออกจากวัตะวนวัตะทุกันนี้ได้เพราะฉะนั้นมันอาจจะจับต้องนะปัจจุบันดูตามเหตุตามผลของโลกอ่ะไม่ใช่ของธรรมนะของโลกโลกเนี่ยหาอยู่หากินมันต้องมาเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วล่ะหาอยู่หากินหน้าที่การงาน ครอบครัวเพื่อนฝูงความสำคัญที่เราให้กับเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันก็มากมากกว่าที่เราจะให้กับการที่เราจะใช้เวลามาพัฒนาจิตใจมาพัฒนาศักยภาพที่เราจะเห็นความจริงศักยภาพในการที่เราจะมาทาความสงบแล้วก็นาพาตนให้หลุดออกจากวัตตะวันอันนี้ไป แทําไมคนเราถึงไม่ค่อยมีกําลังใจที่จะพาตนให้มันไปในแนวทางที่เราจะหลุดพ้นออกจากวัตฏะทุกอันนี้เพราะว่าปลายทางมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเจอมันเป็นสิ่งที่เรายังไม่เคยถึงมันก็จะยังเป็นเหมือนกับภาพวาดในอากาศ แต่สิ่งที่มันจับต้องได้ด้วยการสัมผัสจับต้องได้จากการดูจากการฟังณนะตอนนี้ก็คือความสุขในกามทั้งหลายที่เราได้รับอยู่ณตอนนี้มันจับต้องได้เต็มที่มันจับต้องได้ได้อะมันจับต้องได้อะมันไม่เหมือนกับเป้าหมายในอนาคตที่เราวางเอาไว้ถึงเราจะรู้ว่ามันดี แต่ณนะตอนนี้อันนี้คือความสุขที่เราจับต้องได้ถึงเราจะเข้าใจว่ามันดีถึงเราจะเข้าใจว่าการพ้นทุกข์มันดีแต่ความสุขในกามเฉพาะหน้าตอนนี้มันก็เป็นความสุขที่จับต้องได้ความมีน้ำหนักที่เราให้ณนะปัจจุบันเนี่ยคนส่วนมากก็จึง เทน้ำหนักให้ความสำคัญมาในการหาความสุขทางกรามแต่แน่นอนคนที่เห็นความสำคัญของการแก้ทุกข์การที่จะทวนกระแสของกิเลสให้เราไปถึงที่สุดแห่งทุกข์เนี่ยก็ต้องมีบุคคลประเภทนี้อยู่แล้วก็บุคคลประเภทนี้ก็ วิ่งไงก็คือเหมือนกัว่ามาฝึกอะฝึกใจด้วยเพื่อที่จะนําพาตนให้ออกจากทุกแต่แน่นอนแหะมันไม่ไงมันไม่ร้0ยเปอร์ซตได้ทุกทุกขณะจิตขนาดนั้นแหละมันก็จะมีทั้งจังหวะที่จิตเราเป็นไปเพื่อความหน่ายกลายกาหนัดเป็นไปเพื่อความที่เราจะนําพาตนให้หลุดออกจากทุกวัตถทุกข์อันนี้ แล้วมันก็จะมีจังหวะที่เราเนี่ยก็จะกลับเข้าไปในวังวนเดิมวังวนที่เราจะเป็นไปเพื่อความกําหนัดยินดีเป็นไปเพื่อความยึดมั่นถือมั่นในรูปเสียงกลิ่นของรสสัมผัสถ้าเป็นภาพมันก็เหมือนกับชั ก, กะเยาะกันไปนั่นแหละแต่สำหรับอันนี้คือภาพของคนที่เห็นโทษ ของความทุกข์เห็นโทษของกิเลสอยู่บ้างแล้วมันก็จะได้ชักเยอะกันแบบนี้ก็ย้อนกลับไปตอนแรกนี่แหละว่าถ้าเรารู้สึกเสียดายเสียดายที่เราไม่ได้ทำแล้วถ้ามีความประมาทเกิดขึ้นเนี่ยความเผลอเพลินความสุขในตามทั้งหลายที่มันคลอย ความงามจิตใจเราอยู่เนี่ยความมัวเมาความเพลิดเพลินมันก็ดึงใจของเราให้ไปคลุกคลีอยู่กับความสุขในทางกามเพลินไปวันวันหนึง่งเผาเวลาไปวันหนึ่งวันหนึ่งไปในแบบนี้แหละแล้วมันก็บังใจเราให้ไม่ค่อยได้เห็นถึง เครื่องเตือนเครื่องระลึกว่าอย่าประมาทนะเครื่องเตือนเครื่องระลึกที่เราเห็นแล้วรู้แล้วแล้วมันจะทําให้เราเนี่ยมีความประมาทลดน้อยลงอย่างน้อยอันหนึ่งก็คือความตายหรืออีกอันหนึ่งก็คือเวลาเนี่ยมันกลืนกินสรรพสัตว์ไปเรื่อยๆ การใช้จ่ายเวลาของเราเนี่ยเราไม่ได้มีเวลาแบบอัลลิมิเต็ดนะไม่ใช่ว่ามันจะหมดเวลาไม่ได้ชีวิตของเรามันมีจํากัดเวลาของเราในชาติหนึ่งๆเนี่ยมันมีจํากัดแต่ความรู้สึกในใจของเรามันก็ค้านกับความเป็นจริงแบบนี้แหละ เพราะการที่เราเข้าไปเพลิดเพลินมัวเมาอยู่ในกามอยู่ในความสุขทางกามมันก็ทำให้เราไม่ค่อยเห็นตามความเป็นจริงว่าเวลาที่เรามีเนี่ยมันหมดไปหมดไปแล้วก็หมดไปแต่ในขณะที่เราเพลินอยู่กับความสุขในกามความสุขทางกามเนี่ยมันทำให้ใจเรารู้สึกว่าเรามีเวลาที่มันไม่จํากัด เวลามันไม่มีหมดแล้วเราก็จะพยายามหาความสุขทางกายอย่างนี้มาทดแทนความสุขทางกามที่มันหมดไปอันเก่าได้อยู่เรื่อยๆแต่ถ้าใจเราได้เห็นได้รู้สึกถึงความจริงข้อนี้ว่าเวลานี้มันหมดไปหมดไปหมดไปหมดไปแล้วถ้าเกิดอยู่จ มันมีสัญญาณแจ้งเตือนว่าเออเราจะตายวันนั้นตายวันนี้เราเหลือเวลาอีกเท่านั้นเท่านี้เนี่ยถ้ามันมีใบแจ้งเตือนอย่างนั้นจริงๆเนี่ยพอถึงวันนั้นที่ใบแจ้งเตือนมันมาเนี่ยความเสียดายมันจะเกิดขึ้นอย่างที่เรารู้สึกว่าโอ๊ยทำไมฉันถึงทำแบบนี้ทำไมฉันถึงปฏิบัติตัวแบบนี้ โอกาสที่จะให้กลับลำแก้ตัวมันไม่มีแล้วถ้ามันมีใบแจ้งเตือนเนี่ยมันยังพอที่ใช้เวลาส่วนที่เหลือให้มันพอมีประโยชน์อยู่บ้างเติมสเสบียงบ้างแต่ความเป็นจริงเนี่ยมันไม่มีใบโนติสแบบสารน่ยที่มันจะมายื่นแหละมันปรบปรับมันมามันก็มา ถึงเวลาที่มันจะหมดจากสต็อกของเราเนี่ยมันหมดก็คือหมดมันไม่ได้มีมิเตอร์บอกว่าถึงเท่านั้นเท่านี้นะจะหมดแล้วไม่มีหมดมันจะหมดมันก็หมดทันทีแล้วพอไปถึงจุดนั้นเนี่ยมันก็จะเสียดายเสียดายเสียดายว่าเราใช้เวลาที่เรามีเนี่ยเสียเปล่าไป แต่เพราะความไม่รู้มันบดบังกิเลมันบังใจมันก็ทำให้เราเพิ่งจะไม่เห็นว่าเออที่เราใช้เวลาไปเนี่ยมันใช้เวลาแบบไม่ได้มีคุณค่าเท่าไหร่แต่เพราะกิเลมันบังใจเนี่ยมันจึงทำให้เห็นถึงเรื่องนั้นก็สำคัญเรื่องนี้ก็สำคัญทำให้เราละเลยงานสำคัญจริงๆของเราไป แต่มันก็เนียนๆนะนะเนียนๆนะมาหลอกเรามีงานต้องทำงานรีบส่งมีปัญหาต้องแก้ไขมันก็จะพยายามหาข้ออ้างที่ดึงใจเราออกไปให้ได้บ่อยๆแล้วเราก็ไม่ได้ค้านมันด้วยนะเพราะว่า มันก็มีความสำคัญจริงๆมีสาระมีเก่นสารณะตอนนั้นจริงๆเหมือนกันมันอาจจะไม่ได้ดูแบบเหมือนเราติดหนังติดละครติดซีรีส์ที่พอเรามีสติระลึกขึ้นได้แล้วมันก็โอ้ยไม่ใช่ละเรากำลังใช้เวลาเรื่อยเปื่อยนะไม่ได้มีประโยชน์ แต่พอมันเกี่ยวพันกับงานเกี่ยวพันกับเรื่องราวความเป็นอยู่เรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวเพื่อนฝูงมันก็ทำให้ความเป็นจริงเป็นจังของเหตุผลของกิเลสมันก็มีมากขึ้นหนักแน่นขึ้นถ้าเปรียบเทียบกับการที่เร า, เาติดหนังติดละครติดกระตูนอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากกันไปอันนั้นมันเขียนปุ๊บเราก็รู้สึกว่า แม่ น, นี่เราใช้เวลาแบบไร้สาระอยู่เห็นง่ายแต่เวลาที่เราใช้ไปกับการงานใช้เวลาไปกับเพื่อนฝูงครอบครัวอันนี้ในฝ่ายคนดีนะแต่ น, นี้ยังไม่นับฝ่ายคนไม่ดีนะที่แบบไปมีปัตรเล็กบัตร น, น้อยไปช่อโกงไปหาวิธีช่อโกงคนต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมัน อนนันมันยิ่งแล้วเข้าไปใหญ่อันนั้นมันยิ่งมืดเข้าไปใหญ่แต่ น, นี้มันทําให้เราเห็นว่ามันเป็นจริงเป็นจังมันก็จะทําให้เราเห็นหนั่นแหละว่ามันมีสาระที่เราจะต้องทุ่มเทเวลาให้กับสิ่งเหล่านั้นเงินไม่พอใช้ ดอกเบี้ยต้องส่งแล้วอะไรเหล่านี้มันเห็นได้ว่ามันเป็นเครื่องบีบรัดที่จะทำให้เราต้องทุ่มเทเวลาไปกับสิ่งเหล่านั้นคอยแก้ปัญหาหรือธุรกิจเราต้องพัฒนาไปเรื่อยๆต้องเจริญเติบโตต้องมีความก้าวหน้าเราจะทำยังไง1 2 3 4 5หเพื่อที่จะพัฒนาธุรกิจ พัฒนาการงานของเราให้มันเจริญเติบโตขึ้นก้าวหน้าขึ้นมันก็ให้เราใช้จ่ายเวลาเราไปในเรื่องที่มันมีสาระของกิเลสแบบนี้แต่พูดมานี้ไม่ได้ใช่ว่าจะให้ปฏิเสธเรื่องราวการงานภายนอกเสียทั้งหมดนะอ่านี้ก็ไม่ใช่ หมายถึงว่าเวลาที่เราโดนกิเลสมันล่อหลอกโดนกิเลสมันปิดบังไม่ให้เราเข้าใจตามความเป็นจริงมันทำให้เราไม่ได้แบ่งเวลาที่จะมาทำการงานภายในจิตใจของเราเลยให้เราทุ่มทั้งร้อยมีร้อยก็ทุ่มร้อยหรือไม่ก็มีร้อยก็ทุ่ม200ไปเลยให้กับ การงานภายนอกแต่โดยถ่ายเดียวแล้วพอไปถึงเวลาที่ร่างกายมันไม่ไหวหรือมันถึงเวลาแบบ ป, ป, ป, ปุบปรับอะอยู่ดีๆมีอุบัติเหตุมาจะตายกันขึ้นมาเราก็จะพลาดโอกาสที่เราได้อัตภาพที่ดีมาแล้ว โอกาสดีๆเราก็ได้มาแล้วในการที่เราเจอพระพุทธศาสนาได้มีคำสอนที่เราจะหลุดออกจากทุกได้แต่เราไม่ได้นำมันมาประพฤติปฏิบัติอย่างเต็มที่ให้สมค่าแก่การเกิดมาเป็นมนุษย์ผู้ที่เลือกได้ทำดีก็ทำดีได้สุดทางได้ทำชั่วก็ทำชั่วได้อย่างสุดโต่งเหมือนกัน แล้วโอกาสที่มันจะมาเกิดเป็นคนอีกเราก็จะรู้ว่าพอตายไปแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันไม่ง่ายหรอกแล้วที่จะได้เกิดมาเป็นคนพบเจอพระพุทธศาสนาได้ยินได้ฟังคําสอนได้มาประพฤติปฏิบัติอีกเนี่ยยิ่งไม่ง่ายเลยเวลาในศาสนาท่านเปรียบเหมือนกับ เวลาเนี่ยชั่วฟ้าแลบแป๊บเดียวเท่านั้นถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยมันจะดูเหมือนยาวนานแต่ถ้าเราเปรียบเวลาที่มีพระพุทธศาสนากับเวลาที่ไม่มีพระพุทธศาสนาในวัตตะนี้มันก็เปรียบได้กับเวลาที่มีพระพุทธศาสนามันก็แวบเดียวเท่านั้นแหละแล้วเราจะ่วยโอกาสอันมีน้อยนิด ระยะเวลาอันน้อยนิดอันนั้นให้มันคุ้มค่ายังไงเราจะทำยังไงไม่ให้เรารู้สึกเสียดายในเวลาที่เวลาของเรามันหมดลงถ้ามันหมดลงจริงๆแล้วเราจะไม่เสียดายที่เรายังไม่ได้ทำในสิ่งดีๆยังไม่ได้ทำประโยชน์จากการที่เราได้อัตภาพความเป็นมนุษย์อันนี้อย่างเต็มที่ เพราะฉะนั้นมันก็ต้องพยายามควบคู่กันไปอย่าให้กิเลสมันหลอกอย่าให้มันหลอกแบบเต็มร้อยอย่าให้มันชักจูงให้เราเห็นผิดว่าเรื่องที่มันสำคัญคือเรื่องการงานภายนอกแต่โดยถ่ายเดียวอย่าให้มันหลอกใจเราอย่างนั้นมันอาจจะหลอกเราไม่ได้ทุกขณะก็จริงแต่มันก็ พยายามหลอกเราแล้วเราก็อยากให้มันหลอกได้เยอะๆการที่มันจะหลอกเราได้น้อยๆเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือเราต้องมีสติมีสัมมาสติที่จะคอยเท่าทันมันเพราะมันเห็นผิดแล้วนะมันมีความรู้สึกผิดผิดเห็นผิดคิดผิดแนละ้วว่ามันไม่ได้เป็นไปเพื่อ ที่จะทำให้เรามีความหน่ายกลายกำนัดนะมันเป็นไปเพื่อความเกาะพบเกาะชาตินะเป็นไปเพื่อความผูกติดยึดติดนะบางทีมันก็มาหลอกอีกว่าเอ้ยเราก็ไม่ใช่ว่าเราละเลยนะเราก็ยังสรรหาเวลามาทำความดีมีการนั่งสมาธินะแต่สิ่งนี้มันจะตอบได้อะก็คือว่า ผลของการปฏิบัติของเราอ่ะมันดีขนาดไหนมันเพียงพอไหมอันนี้เราก็จะรู้ได้ด้วยตัวเองว่าผลจากการปฏิบัติของเราเนี่ยมันเพียงพอหรื อ, อยังเพียงพอไหมกับการที่เราจะแก้ทุกข์กับการที่เราจะปล่อยวางแล้วก็ทําที่สุดแห่งทุกข์มันได้ทรามานสำรวจ เราก็จะค่อยๆมีกำลังใจเพิ่มขึ้นเนี่ยแหละว่าเราต้องพยายามพาพาเราเนี่ยแหละพาใจของเราเนี่ยแหละให้มันหลุดพ้นจากวัตตนนี้ให้ได้เอาให้มันชาตินี้แหละไม่ต้องไปชาติไหนๆเพราะอนาคตมันก็กําหนดไม่ได้ถึงแม้ว่าเราจะมีความดีตุนไว้ก็ตาม แต่มันก็ไม่ได้มีเครื่องการันตีได้นี่ว่าเราจะมีแต่กรรมดีให้ผลแต่โดยถ่ยเดียวเพราะคนเรามันก็มีทั้งกรรมดีกรรมชั่วที่เราสั่งสมมานี่นแหละอย่างตอนนี้กรรมดีของเราให้ผลเราก็เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มีโอกาสฟังธรรมได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมกรรมดียังให้ผลอยู่ เราก็ตักตัวให้มันเต็มที่ซึ่งถ้าเราทำได้ดีมันก็เหมือนกับเหล่าครูบาอาจารย์นี่แหละจะไปก็จะไปแต่จะไปแล้วไม่กลับมาอีกแล้วไม่มีเชื้อที่จะทำให้เราต้องกลับมาวันเกิดแล้วก็เวียนตายไปอีกการตาย ก็เป็นการตายครั้งสุดท้ายถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยความเสียดายมันจะมีในใจไหมมันไม่มีแหละแต่ถ้าเรายังทำอย่างนั้นไม่ได้เนี่ยตายไปมันเสียดายนะก่อนตายมันก็เสียดายนั่นแหละโอยน่าเสียดาย อ, อย่างฟังประวัติของหลวงตามหาบัวเนี่ยตอนนี้ป่วยเป็น ในถ้ำมันนะแต่ท่านก็รู้ตัวนี่ถ้าตายไปเนี่ยโอ้ยมันยังไม่จบงานถ้าจะให้ค้างถึงจะไปดีแล้วเนี่ยตายไปแล้วอยู่ในสุคติภูมิอยู่ในชั้นสุทาวาดมันก็เสียดายเสียดายที่มันยังต้องไปต่องานอีกทำงานต่ออีกเอาให้มันจบตรงนี้ไม่ได้ ท่านก็มีความเสียดายอยู่ในใจแต่แน่นอนแหละที่เราทราบเป็นดีก็ท่านก็ผ่านจุดนั้นมาได้ก็ไม่ได้ตายใช่ไหมพอไม่ตายไข้เขยอะไรต่างๆโรคภัยต่างๆตอนนั้นก็สงบระ ง, งับลงไปแล้วท่านก็พยายามฝึกหัดขัดเกลาวตัวเองไปจนสุดท้ายก็เป็นคนที่ไม่ต้องเสียดาย เป็นคนที่มั่นใจมั่นใจในวาระสุดท้ายของตนมีความมั่นใจในใจของตนได้ว่ามันไม่ต้องกลับมาเกิดอีกการตายก็เป็นการตายครั้งสุดท้ายความดีที่มีก็ทำมันจนเต็มที่ทำให้ถึงที่สุดของความดีได้ งานที่จะต้องทำก็ทำเสร็จแล้วถ้าจะไปก็ไปไปแบบสบายใจหายห่วงเราก็ต้องเอาท่านนี่แหละมาเป็นแบบอย่างเป็นกำลังใจที่เราจะพยายามฝ่าฟันต่อสู้ คนมารยาของกิเลสที่มันพยายามจะดึงเราฉุดรั้งเราให้อยู่ในวัตตานี้เพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามเนี่ยแหละฝึกสติให้ใจเรามีเครื่องอยู่มีสติคุ้มครองใจอยู่ที่ลมหายใจอยู่ที่คำบริกรรมพุทโธ สติจนพราะหน้าเห็นกายอาัเห็นใจ N1 ทําให้มันได้เข้มแข็งเข้มแข็งนี่ไม่ใช่จิตใจแข็งกระด้างนะเข้มแข็งก็คือมีความเพียรไม่ย่อหย่อนไม่ท้อถอยแต่ใจเนี่ยมันจะเป็นใจที่อ่อนนิ่มนุ่มนวล เบิกบานผ่องใสแต่ถ้าทำไปทำไปทำไปใจก็เร่าร้อนด้วยความเมื่อไรมันจะถึงผลที่เราตั้งเป้าสักทีเมื่อไรมันจะได้สักทีอนนันความอยากมันก็เผาใจเราอยู่เราก็อย่าไปตามมันแต่พยายามทำให้มันเต็มที่ทุกๆขณะ แล้วก็สิ่งที่มันจะเป็นตัวชี้วัดทดี่ดีก็คือใจเราก็เป็นกลางอยู่ได้เรื่อยๆพอมันเป็นกลางอยู่ได้เรื่อยๆเนี่ยมันจึงไปถึงจุดที่เรียกว่าหมดอยากใจมันหมดอยากไปได้แต่นี้มันก็แล้วแต่ตามจริตนิสัยนะอย่างครูบาอาจารย์บางองค์บางท่านท่านก็นบอกว่า อยากนิพานมันก็เป็นทางของมรรคแต่อย่างน้อยๆอยากทําความดีมันก็เป็นเรื่องดีนั่นแหละแต่อยากให้มันเกินพอดีขึ้นนั่นเองถ้ามันเกินพอดีมันไม่ใช่ทางของมรรคแล้วมันเป็นทางของกิเลสการที่เราอยากจะทําความดีให้มันสุดลิ่มทิ่มประตูเนี่ยมันดีอยู่แล้วล่ะแต่อยากให้มันเกินความพอดี เกินความพอดีก็คือใจเราไม่เป็นกลางนั่นแหละเราพยายามหมั่นมีสติรักษาใจเรื่อยๆเห็นโทษเห็นภัยของวัตะวนอันนี้แล้วก็พยายามที่จะไม่ละเลยไม่ส่งใจไปเห็นดีเห็นงามแต่กับเรื่องการงานภายนอกอย่างเดียว พยายามเห็นโทษของวัตตะอันนี้ให้ได้ปล่อยๆพยายามเห็นถึงคุณค่าถึงสาระของการงานภายในที่เราควรจะต้องรีบเร่งทำให้มันได้ดีในชาตินี้นะ